เราตั้งใจทุกคนกำหนดอแล้วยังอยู่ใกล้กันจะทำจิตในเพ่งต่อไปคนโน้นต่อไปคนนี้แต่ค้าจะนั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งคนเดียวเทา่านั้นมั่งตัวที่เรานั่งอยู่ฉพาปะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีจะตายกับจิตเท่านั้นแหละมีตายกับจิด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 ก็คือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียวจิตหรือ <c oughs> เรียกว่านามหรรูปท่านเรียกว่านามรูปนามหมายถึงสิ่งที่ว่าไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึก ทุกอย่างเรียกกรเป็นนามเข็นเวทนาสัญญาสังขารมิน ญ, ญานเวทนาก็คือไม้คา ม, มามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามมาทำเป็นนาม ừ. Ừ. Ừ. เรียกว่ารูปกับนม้มตาเห็นรูปเรียกว่ารูปความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปพฤติกรรมน้ำพฤติกรรมก็เรียกว่ากายกับจิตเท่านี้ ทิ้งทั้งหลายนี่มันเกิดจากนี่มันยุ่งหลายอย่างตามอาการของธรรมนั่นนั้นต้องการความสงบเราจะให้รู้รูปประนามรูม้กายกับจิตเท่านี้ก็พอที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิต ใ, ใจอย่างนี้มีกายกับจิตใจจิต ที่ีอยู่เนียวนีจิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังสกรปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดอไม่ใช่จิตเลยจำเป็นจะต้องฝึกหัดจิตอันนี้ดันงนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้งอย่างในวันนี้ที่อาตมาจะพูด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 เป็นปกติไม่ลืมเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงอ่าภูเขาท่ามสวนเทศนี่ทุกคนมาจากบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั่นเนี่ยมันติดตามไปอยู่เสมอถึงแม้จะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปจดลงที่บ้านของเรา Um. อื่างนี้การทําสมาธิไม่ใช่แบบการไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทําสมาธิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเงียบอๆนั่งกับคนตายไม่ใช่คนเป็นคือถ้าทําสมาธินี่คือทําให้รู้ ทาไม่เกิดปัญญาทาไม่มีปัญญาเรียกว่าสมาธิคือตอตั้งใจมั่นมีอารมณ์อนเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์เนีดียวอืวธรรมดาคนเราเป็นนั่งให้มันเงียบเฉยบางคนเป็นทุกข์หลายอืโดยมากนักศึกษานักเรียนเคยเข้ามากราบอุตมาว่าม ไี้ฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่แย้มันก็วิ่งไปนอนแย้มันก็วิ่งไปนี่ไม่รู้จะทํายังไงมันอยู่มันอยู่ไปของนี่ของหยุดอยู่ไม่ได้อือไอ้ที่มันวิ่งไปมามันแทนมันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกคนในที่นี้ไม่ใช่มันวิ่งไปวิ่งมาบางคนต้องมาพ่อมันวิ่งไปฉันก็ไปดึงมันมาดึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปทางนั้นอีกไปดึงมันมา ก็เลยนั่งไปดิ้งยงนั่นแหละจิตเนี่ยเข้าใจว่ามันดิ่งมันดิ่งจต่ความรู้สึกของเราต่างความเป็นจริงนั่นอย่างสลาหลังนี้แม้มันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเรานี่ตอนนั้นสลานี่มันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้แหละแต่เรามาเห็นแม่สลาหลังนี้มันใหญ่เยอเกินไม่ใช่สลามันใหญ่อย่างนั้นมันเป็นแากความรู้สึกของเราอ่ะ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 วันนี้เน่ะเราเดินทางมาจากไกกเบรูปากกาที่เราชื่อมาตั้งห้าร้อยบาทหรือพันบาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบังเอิญไปวางในที่นึนใช่อื ม, อมเช่นเอาใส่ในกระเป๋าหน้าอีกมาล้นหนึ่งก็ไปใส่กระเป๋าหนังกระเต๋าข้างหลังชก็เลยมาคํำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ยจกใจซะแล้ว นี่ตบชัยถ้าความมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็วุว่นวายอยู่นั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหวินไปมาไม่สบายนึกว่านั้นนึกว่าปากกาเราหายแต่ของนั้นมันไม่หายหรอกมันอยู่กระเป๋าหลังสิดมันไม่หายแต่เรานึกว่ามันหายบางเดินก็ทุกไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดนี่ไอ้ความคิดผิดรู้ผิดชนีมันเป็นทุกข์ทีนี้ เ้าก็กังบนเมื่อกังบลไปกังวลมาเนี่ยมันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากนี้น่ะเสียดายมันคุณก็ามาใช่ไม่กี่วันคุณก็หายมีค้อมกังบนอยู่อย่างนี้อีกในคณะหนึ่งนึกก็มาโอ้เราไปอาบน้าตรงนั้นเราจับมาใส่กระเป๋าหลังนี้ น, นี่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นตากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นเห็น ไ, ไหม ดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากานั้นอมันแน่ซะแล้วอืแล้วก็เรีนมาดูตามมาทำดูเห็นในกระเป๋าหนังจริงเออเนี่ยมีวันนี้มันก็หกเราทั้งนั้นแหละปากาไม่หายมันก็หกว่ามันหายแล้วก็ทุกข์เพราะเรไม่รู้ยิดต้งแต่กังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้มาเห็นปากาแล้วน่ะรู้แน่แล้วเลยเห็นแล้ว หายช่วงสายแล้วมันตัสงบนี่ความสงบเช่นนี้เดี๋ยวเราจะเห็นต้นตอมันไปเห็นตัวสมุทัยอันมันเป็นเหตุในทุกเกิดอเราก็ทุกตัวสมุทัยเป็นเหตุในทุกเกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้เนี่ยนอนแล้วเราเป็นนิโรธหลับทุกนี่นี่มันเป็นสงอย่างนี้มันถูกหลอกลวงตโดเวลาอันนี่ยอืม อย่างนั้นพระพุทธองค์ต่อยทีนะหาคนกำหนดที่เราทำความสงบโดยสมาธินี้อมันสงบจิตมันไม่ใช่สงบจิเตไม่ใช่สงบจิตแล้วมันนั่งทับมันไปมันสงบเฉยๆนลยเหมืนกัหินทับหญ้าพอญ้ามันมียียบหินมาทับมันก็ดับไปพอหินทับมันอีกสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนรามายกหินออกหญ้ามันก็เคยขึ้นอี้ นี่แปลว่าอนันต์ญาณยังไมตายคือมันละครับมันสงบกิตไม่ใช่สงบกิริทนี่เรื่องสมาธิจริงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี้เราจะต้องทีเรณาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้ายญ้าตะเตีวบขึ้นอีก นี่สงบส ก, กาวสงบส ก, กาวสงบวยปัญญาคือไม่ยกขีออกทับมันเลยนั้นแหละย่ามันเกิดในได้นี่เรียวกว่าสงบแท้สงบ ก, กิเลสแน่นอนนี่กาเรียก ว, ว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้เมื่อเราพูดแยกกันออกต็ใกล้เคียส่วตัว ไอ้ความเป็นจิงมันตัวเรียวกันนั้นเองะตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นอืมน่มันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคุณลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้อืมลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆเล้วก็มันโตขึ้นไปแล้วก็มันสุกแล้วมันจนเน่านีม มะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบนี่มันเด็กกว่บใบนี้มันโตขึ้นมากกวใบนี้มันสุกกว่บใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมงม่วงใบเดียวกันนิยมทั้งหลายยะพึ่งทาใจ ก, การปฏิบัติธรรมนั่นแหละถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญา ไอ้ความเปจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่แตกตนไป็อย่างเมือมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวนั่นนี่แจวว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรื่อยเรื่อยเือยเร่ความเปจริงให้กับการปฏิบัติที่อะไรก็ช่างมันเถอะให้เริ่มออกจากจิตอืม จิตให้เริ่มจากจิตรู้จักจิตของเราไหมจิตมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงคงงงมุดทุกคนละงงทุกคนือจิตอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่ ร, <c ười> มรู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้นะไม่รู้จกักไม่รู้อรู้จักไปเราอยากจะไปโน่น อย่างต่ไปนี้มันเป็นจุขหรือมันเป็นทุกข์ไอ้ธุรจิตจริงๆนี้มันก็รู้มันไม่ได้จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรจิต้วาไปสมมติขึามันเป็นจิตไอ้สิ่งที่มันรับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทำลายสิ่งที่รับเหมือนไจับของบ้านใครรับแขกไจะของบ้านรับแขก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 ใ่ใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้อืมที่เราเรียกว่าจิตจิตอะไรกันนี้เงี่ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยบางคนจะต้องคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นก็ระพัดอย่างอถูถ่ายกันไปกันมาจนเป็นบาบาบาบาไม่รู้เรื่องออแล้วอย่าคิดมันไกลเลบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้างมีรูป กับนามแล้วมีกายกับจิต ท, ทั้งทั้งก็พอละอือเช่นว่าเราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นอืออือรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยยินเข่าหูแล้ ว, ลวก็อื้เง่งเงี้ยพันรู้ไปทุกอย่างทุกสิ่งเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทุมมถามนั้นทำไมอืม ต้นไม้ตัวนี้มันมีมันมีกี่รากต้องตอบว่ามันมีรากใหญ่รากเล็กรากเล็กถอยว่าหนึ่งกี่รากคนเป็นบ้าเห็นไห ม, อม ต, ตอบทั้งรากเล็กๆรากถอยมันมีกี่รากรากใหญ่มันมีกี่รากรากเล็กๆมันมีกี่รากทําไมขึ้นศาลอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าสันนิษฐแจ้งแทงตลอด ต้องรูหมดทั้งรากฝอยลเลยมันใครจะเป็นหน้าไป็นนับอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาพูดไปเจ้าจนจะโง่อย่างนั้นเลยป่ามันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็จะพอกันนะมั่งเนาอย่างเราจะข้ามข้ามป่าไปในในในป่านี้น่ะแล้วจะต้องตัดตป็นไม้ทุกต้นไป้จริงใจกันเลยถอนทำไมหมดที่ไปที่จะไปยังไงไหมแบดเฉพาะทางเราไป ไ, ไ, ไ, ปได้ก็อพอแล้วจะไปตัดทางมันทําไม ต้นไม้ต้นนี้รากข้อยมันกีนรากก็จังมาเล้มันเป็นรากแต่พอแล้วมันเอาสายรากเล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นเนี่ยเท่า น, นี้ก็พอมั้งอือเท่ น, นี้ก็พอพระพุทธองค์กัต้นนี้ก็พอแล้วอือท่านให้ให้ไปนับรากข้อยต้นไมนะ้เสียเวลาจะนับมันไปทําไมมันอยู่พอารากมันเท่า น, นี้ก็พอแล้วอืออย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้เนาะพระพุทธเจ้าสรนนิษทุกอย่างดูหมดทุกอย่าง ต้องเป็นับหมดทั้งลากขอยหนึ่งก็เป็นบ้าท่านนึงเลยนี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิรู้ปัญนาก็ช่างเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมะที่ก็พอแต่ก็ดนเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละ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 หนึ่งกรมด้วยไมเป็นสี่เหลียมนึงมันสั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหนี่นี่มันเป็นนามธรรมมันเทียบไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปกับนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่งกันแลยกันไปท่านเอานาพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายแล้วรูปก็ทำนามก็ทม สองอย่างคือเนี่ยมี่ฉะนั้นตอนที่ให้เริ่มจากจิตทางใดทางจิตให้สงบทำ ม, มันรู้อืจิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนก็มันมันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่ดูเรื่องจะทําอะไรนะถ้ามันขาดคนค น, นี้เราจะไปเอาอะไรมเอาัยอะไรใครนะม ไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมังก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันีเรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนะั่นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดมันถูกฉันจะเอาถูกผิดฉันไม่เอาจะเอาไปทำไม เอาถูกอ่มันก็ผิดอยู่เท่านั้นแหละมันถูกเพื่อผิดเราเอาก็แสแวงฮะคมผิดคมถูกหรือกระสแงเอาบุญก็กระสดวงไปรู้แต่บุญไปบาปเรียนกันไปอู้บุที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นนราไมไ่เรียนกันไม่รู้จัก เอาแตเรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นเราไม่ศึกษากันเรียนแตเรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาอจเาจะเอาดีชั่วไม่เอาอมไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีกท่ น, นั่นแหละจะาไงมีเร่ยนนี้บางอย่เนี่ยมันมีทางคมมันมันมีทางสันมันอือนะ มันมีทั้งด้ามมันทุกอย่างเราจะหยับหยับยกมีดเลื่อนีดขึ้นมาจะเอาจะคมมันได้ไหมจะหยับมีดเลื่อนมี้ขึ้นเอาจะสันมันได้ไหมเอาจะด้ามมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันของมีดคมก็คมของมีดเมื่อเราจับมีดเลื่อนมีดขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาด้วยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมขึ้นมาด้วยไม่จะแดงจะคมมันได้มันอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้อ เราจะไปแยกงกันแต่สิ่งที่มันดีชั่วงอาไปไปด้วยเพราะเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษามะไอสิ่งที่ไปดีไ่ชั่วเราไม่ศึกษา ม, ม, มันอยู่ตรงนั้น อ, อย่างนั้นมันก็ไม่จบอเอาดีไปชั่วกว็าตาม มันตามกันงอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะ ก, กันว่าเอาจะดื้ชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นธรรมของเด็กธรรมเด็กมันเด่นไปได้อย่แค่นี้มันได้ แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันตามเนี่ยทุนไปถึงตายทางมันกเลบในจิตนวลบุญ ง, ง่ายง่ายๆอ่ะ ย, ยมมีลูกมาจ ะ, จะใหจะให้เอารักมันเกลียดไม่เอามาันมีเงื่อนคนกม็มีลูกอันทั้งสองอย่างนี้เอารักเกลียดมันก็ยิ่งตามนีม่ ฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาอืมให้มีปัญญามันตามกันมาอย่างนั้นอืมเราไปเรียนดีเรียนชั่วเท่านั้นดียังไงชั่วอย่างเรียนมันละเอียดมากสุดๆจนรู้จักดีกับชั่วอืมเมื่อรู้จักดีจากชั่วเราเอาอะไรจะให้เอาเอาเอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอา ทำไมอืเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องสิงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกันเราจะเรียนให้มันดูจากดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีช่วยฉันจะทิ้งอืเรื่องที่ให้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะฉุดจบมันไม่ไเรียนอแต่ฉันก็ตังต้งใจใน น, น, นั้นฉันก็นตั้งในนี้นน มันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉันก็มีฉันเนี่ยไม่ไม่เคยเดือดกันเอนั่นกนจะไปดูไปเอาดีอืมพอได้ดีดีดีดีเหือนดีไม่รู้เรื่องก็เมาดีอีกทีนี้ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วช่วยอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละไม่จะไปยังไงเลยหมนี่คือเรื่องกันด็ที่สงบสงบนี่เพื่อพักผึ้นเราสงบเพื่อให้มันสงบให้รู้จักคู่ที่รับอารมณ์ ในตัวตนของเราคืออะไรอย่างนั้นกันงยังไงตามมันการจิตขึ้นไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้ฝุกนี้ฝึกจิตอันนี้ให้เป็นผูบ้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีดีก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆมันต้องเนือดีเนื้อเชืว่วงถึงไปอีกมันตีเครื่องบริสุทธิ์นเนื้อบริบรสุทธิ์ถไปอีกตรงนั้น ห ม, หมดมันเพิ่จะหมดนี่เะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธินี่ยสงบไปช่วคราวสงบไปช่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องมีผู้สืบคดีใจ ต, ตามติดต่อปีพากิจาร์เมื่อไปสงบเฉยๆในนี้อะไรหรอกสงบไปชั่ว บางทีท่านอะไรโคนคนที่ขังตัวอืมขังตัวหลายแต่เห็นดนี่ยความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบมืนจิตไปสงบอย่างนั้นมันสงบจากสุขหรือทุกข์แต่ก่อนฉันจะเอาจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอาสง บ, บแล้วเพราะฉันตามไปตามไปตามไปโอ้อืมเอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้ว อมันติดตามกันไปมาจนทำว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์นะในใจของเรานั่นนั่นแหละมันสมุดตรงนี้วิชานี่เราไม่ใส่เปลี่ยนกันแม่เคยดูเรื่องแม่เคยดูเรื่องเอาใจถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดไี่ถูกกันไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนเราทาไมเรียนมันรู้ผิดรูดถูกจะเอาถูกผิดไปเอาก็ตามกัไมนไปไงมันมีด่ลบนี้แหละ ฉันจะยกแกะคมมันขึ้นมาสันมันขึ้นมาด้วยมันติดกันอยู่นี่ให้เราคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดปฎิเป็นดีไม่จบการถุกจิตของเราให้ผูกทางให้มันแก่ใสขึ้นมาอให้มันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยๆมันยิ้มทำย่าเมาบางคนก็เมา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 นอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่รื่นบางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียวบางคนก็บก่นว่อีกชั้นนั่งไม่ได้ของลำคานนั่งเนี่งมันคิดตรงโน้มันคิดตรงนี้มันคิดทุกท่านทุกช่องชั้นทําไม่ได้หรอกบาปหลายนี่มันหมดกรรมซะก่อนจรงจะมานั่งไหนไปไปมันหมดกรรมตูวลองลองดูดิคิดไปอย่าง น, านั้นทําห้คิดอย่าง น, านั้น นี่แหละเรากําลังศึกษาอยู่เรานั่งคุกประเดียบเอาไปนน่นแล้วนี่ตามไปอีกงนันโนติเอาเรียบไปโ น, นดนอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษาเนี่ยไอพวกเรามันเกโ ร, รงเรียนไม่ไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกเกโ ร, รงเรียนไม่อยากไปเรียนหนังสือครูมันไม่สงบเลยไม่อยากนั่งฉันไม่เอาลรําคาญนี่แหละตัวศึกษาแหลอย่างงั้นท่านเน่ยเป็นนักเรียนที่เก ไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรหนึมันจะรู้อะไมันจอะไรมั้ยมันต้องอยู่รูการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อืเมื่อเรารู้จักมันเออจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันนึกถึงโน้นเดี๋ยวตันึกถึงนี้นึกถึงโน้นแดี๋ยวตันึกถึงนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่การนึกอย่างนั้นเรารู้มันจะมันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูก็รู้มันดีไม่ผิดมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้เรื่องของมัน่ะถึงว่า น, นั่งเฉยๆ ม, มันคิดทั้งนู้นทั้งนี้มันก็ยังเป็นสามาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่รังพานหรอกไม่รัางานยกตัวอย่างเช่นสม ม, มุติเถอะว่าบ้านโยมก็มีดีตัวหนึ่งมัดอาจายมาตัวมีดีตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าโยม อ, อยู่บ้านโยมเรือ่องดีนัวหนึ่งเลี้ยงนี่มันไม่อยู่นิ่งเนาะ เนี S <S ย่ยมันจากโน้นเนี่ยมันใบนี่มันธาตพาัดอย่างนี่มันเป็นยังไงถ้ายอมมาถึงบ้านอัตมาอัตมา ก, ก็มีิดีตัวนึงเหมือนกันดิงอัตมา ก, ก็มีดีเหมือนกันเนี่ยดูจับโน้นใบนี่โยมก็ไม่ลำคานใช่ไหมทำไมไม่ลำพานพ่อพโยมเคยมีดิงมาแล้วเคยดูจักเองแล้ว ย, ยุวัฒนฉันก็เหมือนกันตัวตัวนี้ยุวัดน์หลงพ่อนี่ก็เหมือนยุวัดอยู่บ้านของผมนั่นแหละ มันดิงตัวเดียวกันยมรู้จักดิ่งตัวเดียวเท่า น, นี้ยอมจะไปกี่จังหวัดยอมไปเห็นลิงตัวเดียวนี่ไม่ลําพานเห็นไหมนี่คือคนรู้จักดิ่งถ้ารู้จักดิ่งก็ไม่เป็นดิงทีหรอกเนือถ้าเราไม่รู้จักดิงเห็นดิงก็เป็นลิงเน่ยเห็นไหมเป็นดิ่งไปทั่วน่นจำดิ่งผมนำพานใจใหม่พอใจลิงตัวนี้เนาะเนี่ยทีนี้คือคนไม่รู้จักดิ่งคนรู้จักดิง่ง เ, เห็นดิงอยู่บ้านแล้วก็เออตัวเดียวกัน ว่าถ้อย่างนี้แตเหมือนกันอย่างงี้นั่นจะลำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นทุกข์พอสงบแล้วสงบแล้วหรือสงบแล้วทางลิงมันโดดหน้าโดดดังอยู่เป็นต้นโยมก็สบายใจไม่ลำคาญกับลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงหรือโยมจึงไม่เป็นลิงถ้ายอมไม่รู้จักลิงโยมก็นลำคาญ โยมแล้วทานโยมกดเป็นดินเข้าใจไหมนี่นี่หลาเรื่องมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์สิเรารู้อารมณ์สิบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างเนี้ยก็ช่างมันแต่อะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้อืมแต่เป็นแค่นี้แต่มันดิงอะไะตัวไหนก็ดิ้งตัวเดียวแต่เรารู้อารมณ์ออ่าการมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ชอบบางทีเราชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะเลยอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนนอ้องมันเป็นอณิจังตุกข์ขันต า, นตาอย่างนั้นแหละลำคาญเนี่ยเป็นบุนมันต้องการเราดูวันไปแบบอย่างนั้นแหละจะนั่งที่ไหนาตาหูจะมูกยื่นตายใจเมื่ออารมณ์ฝึมาพกุกงมันก็อย่างนั้นสมมตนตอนเรามาเห็นลิจริงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราของมันอย่างนั้นนะ มันอขณะนั้นเนี่ยไม่สงบขณะนั้นเนี่ยอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์ดิเราใจริ่มตามอารมณ์ทหมมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นนี้เดี๋ยวมันเป็นอย่งั้นอบางทีก็อยู่อย่างเก่ามันหยุดโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่โดยการเปลี่ยนแปลงมีหายใจอย่างนี้บางทีลมมันออกแล้วก็ลมมันเข้ามา มันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในเนี่อยู่ในความเปลี่ยนแปลงลองโยมสื่อดูเขาอย่างเดียวที่ไม่ให้ออกอ่ะจะอยู่ดีกี่นาทีไหมไม่ใหออกอย่างเดียวใหญ่มันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไห ม, มนี่มันอยู่ไม่ได้จมเป็นปัญหาใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ชั้นเดินมาทุนบัตท่านสังเกตเนี่ยถ้าอัดลมไปจากโน่นตายหรือเปล่าไม่ได้ถึงหรอกอ อื น, นี่ได้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์กูเบิตันไม่จะต้องมีเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาอ อ, อ, อถ้ามันไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกถูกก่อนมึงมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันถึงมีแตถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์มันมากที่สุดยิง่งดีถ้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนนะอืมอันนี้เราเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบเลยไม่อยากจะทําไม่อยากจะดูมัน เบื่ออะรมันอะไรมาห น, นี่เคาเดียกว่าเด็กมันเตล่มเรียนมันเม่อยากรับรู้ครูส อ, อนอย่อารมณ์เนี่ยมันสอนเราไม่ใช่อินเราอืมนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะ้งหบอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันนี่เท่านั้เหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงนีู่ว่าโยมไม่ลาคาญไม่เห็นลิงอยู่นี่ก็ไม่ลาคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วเห็นไหมสบาย นั่นนี่ปฏิบัติธรรมะถึงมั่นกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่ไม่ใช่ใอยูลมไก่นะมันอยู่จิตจิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะอืมไม่ใช่เรื่องเทพบุตรเทปาราเนาะเรื่องของเราทำเรื่องเราทําอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นอือยู่หนังสือก็ไปเปิดดูหนังสือหนังสือก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้น อมนันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราเป็นธรรมะกะ็พิจารณาตัวเรานี่อืบางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีรําคาญบางทีรักคนนู้นบางทีเกลียดคนนี้ <c oughs> นี่คือธรรมะเห็น <c oughs> ไหมต้องอ่านอารมณ์มันนี่ให้รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็ น, นาอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบาย เกิดลุกวุกขึ้นมาปุ๊งออันนี้มันไม่แน่แล้วเี่ยต่อไปอารมณ์เปลี่ยนปุ๊บเกิดนี่ขึ้นมาปุ๊งออันนี้ก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นลิงอยู่บ้านโยมก็มาเห็นลิงอยู่บ้านบ้านทำใจติดกั บ, บกกตัวเรียวกันโยมก็สบายไม่ได้สงสัยแล้วถ้ารู้จักอารมณ์เลนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นแต่อารมณ์มไม่แน่นอนทุกอย่าง ย o n เคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีไหมมีตอบกันกันดอกแน่ไหมเนี่ยนีนน่ยไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่าอันที่เดียวอที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่าไม่แน่แคนทุกนั้นเห็นมันแน่นอนอืม ม้ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงจเลยทำไมมันอยู่ของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าให้เห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะนี่ถ้ายอมรู้จากอนิจจังมันไม่แน่นอนเท่านั้นแหละโยอมก็จะปล่ อ, อยวางเองไม่ไปยึดมั่นถรือมั่นมัน่น อันนี้โยนไปแก้วอุ้ยฉันไม่แตกแก้วไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยอย่ามาทําฉันแก้วสันแตกก็ไม่ได้เนะ้อนี่โยนจะไปห้ามของมันแตกนี่จะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทําแตกคนดินจะทําแตกคนดินไม่ทําแตกไกลมันจะทําแตกแก้วใบนี้นพระพุทธเจ้าองค์ท่านแห่ยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดี ท่านมองหินทะลุเข้าไปแก้วใบนี้มันแตกแล้วเห็แนแก้วไม่แตกนี่ท่านในรู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านก็แก้วนี้มันแตกแล้วดืม น, น้ำเข้ไประวางไว้ทางกระบอกแก้วมันแตกแล้วนะนี่ความเข้าใจของท่านได้อย่างนั้นเห็แนแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกทําไมท่านยิ่งรูจกก้จักว่าแก้วใบนี้มันแตก เพราะมันไม่แตกมันเกิดดูจากบาดแ้กกวแตกเพรพอเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไรมันจะแตกก่อนมันก็แตกขทานั้นท่านทำความรู้สึกอย่างนี้ถ้างไปใช้แกว้วใบมี้ไปอีกแกหนึ่งมันดูดูแตกเพราะสบายเลยทําไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วนี่ใช่ไหมอือพายโยบี่ แต่ว่าน่าซานดีแม่ฉันแพงมันได้กูเอย่ามาทำไมมันแตกอันนี้นน่ๆกี่กันหนึ่งชั่วนาคนมาทมๆๆอาอําก่แต่ชั่ว น, น, า, นาเนข่ามันดีกนเลยนี่แมเอาสิลูกคุณน่าเพียมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเองมันมาทําำไมแตกขอเราไปกันทำระบามนให้นนํา ม, มันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ําสายนี่มันก็แตกตรงนั้นน่ะทําไมต้อง ท, ำทำําสายทําระบายนะไว อาน้านแค่นี้กปิระบาย ข, ข้างๆนี้มันมาเต็มที่ให้มันออกไปทนันทีเห็นไหมต้องมีทางระบายอันนี้ท่านเห็นอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท่านจะเห็นเลย ว, ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้โยมจะสงบที่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอนตมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนอนตามาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มคลองอยู่เสมอเลย นี่นสมาธิคือสมาธิปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาพูดแล้มันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันไปแยกโดยลักษณะเท่งนั้นมันก็อันเดียวกันนี่ตกตรงก็ไม่เขี่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอันิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดกับปจว่ามันไม่แน่นั่นนคือเราเห็นม่ามันแน่ แน่อะไรแน่มันจะเป็นไปอย่างนี้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นนี่เข้าใจไเท่านี้เห็นเนี่ยรู้จักพระพุทธเจาา้าเลยกราบพระพุทธเจาา้าแล้วได้กราบธรรมะทันแล้วอเอาหลักนี้ไปทีนาถ้าโยไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยม่ทุกข์ต่อที่โยม่ทุกข์ถ้าทิ้งพระพุทธเจาา้มามัได้ทุกข์เลยทิ้งอ น, นิจจังตุกขะอนิตะมันมอะไรทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ ขนาดนี้ จ, จะมาว่าการปฏิบัตินี่มันก็พอทุกไม่เกิดไม่เกิด้รับมันได้ง่ายๆเดี๋ยวจะเป็นเหตุเี่วกัทุกไม่เกิ ด, ด, ด, ก ต, ด, กกดต่อไปมันเกื่อจบตรงนั้นเนี่ยทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีเพราะตระงรักเหตุคือตัวสมุทัยเนี่ยนี่ตัวสมุ ท, ทยัยมันจะแตกเลย มือมันแตกทุกข์เกิดมาเลยเห็นไหมเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดต้องพิจารณามาจะอันนี้มันมีแน่หรอนี่มันม่แน่เนนนนต็มตัวสมมุทยเมื่อมันแตกทุกเมื่อไรเป็นต้นเหตุที่ไห่มีทำลายเหตุจ้ะทํามันเกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ทำมันจะทุกข์ก็เพราะแกไว้นี่มันแตกอือแล้วก็โมโหจนมาเป็นทุกข์ เราจะบอกไว้แก้ไว้นี่มันแตกแล้วสมุชัยมันก็ดับไม่มีเมื่อมันแตกมาในพุ่ง น, นั่นเราเห็นมันแตกก่อนแล้วนี่มันแตกทีหลังมันก็เลยไม่แตกอมันไม่มีทุกถ้าไม่มีทุกมันก็เป็นนิโรธหลักทุกพอดับเผีดแ่งทุกนั้นเรื่องท่านี้นายอมไม่มากรนะเรื่องที่นี้เดาพิจารณาไปเถอะแต่มาเรื่องส่วนสามของมันก็คือตายวายาใจ อย่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้พินาต่อไปนี่มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจข้างรานี่ไปคูดง่ายๆทุกๆคนให้มีสินห้าเป็นพื้นนี่ไม่ต้องไปเดียนประกายปโรกรกโยมสินห้ามีตายกับใจ เนี่ยดูสินห้างพยายามสม่ำเสมอรังไว้ทีเรียกมันพลาดไปเดี๋ยวหยุดกลับมาหลักสติบางทีมันง่ายไปมันพลาดไปลูกกลับมาอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็สติแล้วมันก็ทีเเหมืนน้ำเหมือนน้าเหมือนน้ำในกาห้ามเรา อปล่อยน้ำมันไหลลงอหยดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราก็เล่งตานี่ตื่นให้มากน้ำมันก็เลยต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมี่อมเล่งก็ไปอีกหายต่อมเลยทีสายติดกันเดยเลยเป็นสายน้ำเลยหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนเนะมันไปไปไหนเนาะมันกลายเป็นสายน้ำ มันทีจนเกินถีมันได้ติดกันใช่ไหมมันได้เป็นสายน้าอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เรื่องอุปมาให้ฟังเพราะว่ามันมมนมีอะไรธรรมะมันเป็นสีกรมมันเป็นเลี่ยมมันสั้นมันไม่ไม่ไมู่้จักนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นสงอย่างนั้น อยากเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเราเรื่องก็เราเป็นเรื่องของเราเน่ะธรรมะเ่าเนี่ยที่เรีกแต่ดีใจเรกแะเสียใจบ้างเรียก่พอใจบังเลียก็่ไม่พอใจบอืงเรียกโกรธคนนั้นบ้างเรีกแตเพียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้น่ล ย, ย, ย, ย, ย, ยโนนม ย, ยนน ม, มหหให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันจะพยายามให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแต่มันทุกข์นัและแก้ไขใหม่ แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันชัดแล้วมันไม่มีทุกเหตุมันดับอยู่แล้วข้าตัวสมุทัยเหตุเหตุทุกข์เกิดไม่มีทุกข์มันก็เกิดไม่ได้อั้ถ้าทุกข์มันเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ผูกคนดูเอาง่ายง่ายอันจะมาดูยังไงมันจะผิดตรงไหนเนาะมันดูไม่ได้นะโยมเมื่อไรมันทุกข์เกินไปเกิดขึ้นมานั่นแหละมันผิดแล้ว เมื่อไรมันซุกกินเหื่มใจเกินไปนั้นนะมันผิดแล้วมันจะไม่จากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดค้นหาเลยถ้าเต้นเช น, นี่ยอมมีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่พยายามมีสติสัำปัญญะอยู่เสมอพยายามรู้อยู่รวมจะต้องรู้ผิดถูกยอมจะต้อง รู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างโยมจะรู้จักเมื่อโยมรู้จักโดยโยมก็รู้จักวิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยว่าทีว่ามันไม่เห็นมีทุกข์นะไม่เห็นมีทุกข์ถ้ามันมีสุขมีทุกข์มันเมาปฏิรรบัติทํามาเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมาเนี่ยโยมนะอี่เขาเหี้ยวเขาเจ้านี่เมามือนกันไม่ต้องทําเป็นเหล้าเป็นสุาลาหรอก ทานธรรมาต่อไปเดี๋เมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ตัวเหมือนกันอยา้มันเมาอเมาธรรมะนี่อยู่เหมือนกันนะอืเมาธรรมะนี่พูดหลายนี่เลยเห็นกันมาอยากจับแขนมันมาเทศให้ฟังถึงเด่นมันเมาเนี่ยคนเมาธรรมะเลยเอาทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นกูควรจะเอามันคนนี้กูกวจะโกรธว่าน่ะ เลเทศโกรไปทั่วบ้านโทั่เมืองเนี่เมาเมาธรรมะไม่แปลกกันแตเมาเหล้าหรอกไพ่ไพกันเนี่ยเมาธรรมะนี่ยาเลยต้องดูไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่แต่ว่ามันเมาไม่ถูกอืมนี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งเป็นพอสมควรไม่ผิดเป็นก่นให้รู้เรื่องบางการสมาธิไม่ใช<ๆ>่แบบนั่งอย่างนี <resort> ้อันเดียว <unhappy> ตองปล่อยมันคายทอดประสบอะไรต่างๆอะรลูกกันมาทีเนาลูกกันมาปีนาปีนาให้มารู้อะไรเนี่ยปีนาเสนออันนี้อันนี้จังตัวค้างอนาตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นนายโยมอืมไม่แน่อืมอันนี้มันสวยแต่ไม่แน่ฉันชอบเหลือเกินเออไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกบอกมันนี่มันก็ไม่แน่ไม่ได้ ทำไมถูกเปี้ยเลยโยมไม่มีผิดนะนะจะโยมไปเอาเงินติดีฉันเอายางเงินมันแน่เยอะเกินเนี่ยไปซะแล้วนี่เหลี่างนั้นยามันจะชอบขนาดไสไปทางมันเราต้องขยับมันหมดเงินนแน่อาหารบางสิ่งบางอย่างทานเราแหอะไร่อยเยอะเกินแม่ฉันชอบมันเยอะเกิน อย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราก็ทำทวงทำไมอันนี้ไม่แน่อยากดูจัดมันม่แน่ไหมยยมชอบอาหารอะไรทุกวันแน่แล้วเปินเอาันทานทุกวันทุกวันทุกวันไหมทุกวันนะอย่าโยมจะบ่นออันนั้นมันมันไม่อร่อยซะแล้วแน่แน่ลองดูดิต่อไปฉันชอบอันนั้นอีกเอาทุกวันอีกอ่าม่แน่อีกละนี่มันต้องการมันต้องการถ่ายทอดโยม มันนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อืยู่กับเราไม่ใช่อื่ถ้าเราไม่สงสัยแล้ว <c oughs> นั่งมันก็สบายจะยืนมันก็สบายไม่ใช่แต่าสมาธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจน มวงเหาเานอนอยู่อย่างนั้นจะตายอางนีไในรู้จะไปทิใต้ทิศเหแล้วไอย่าไปพรำกนานเนติมันง่วงพอสมควรหนึ่เดิมเันเลี่ยนวิญญาณบดเป็นติให้มันมีปัญยาดิอืมนี่ถามันง่วงเต็มทีมันชัมานจะก็ให้มันนอนซะแล้วก็บีบลุกซะทาเพลียนอย่างนี้อยีาปลอยให้มันเมา เราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทําอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรู้รู้รอบปัญญาร่วมความรู้รอบผู้ไม่รอบไม่ได้ไปรู้ข้างเรียนไม่ได้ต้องรู้รอบเรียนนี่เป็นวงกลม ร, รู้รอบอืมันจะมาท่าไหนก็เอามาันอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ละ่ะเราจะทําไงไหม แล้วก็ป็นไงอยู่อย่างนี้เราก็พิจนาณาอะไรสังขารตัวนไงก็เอาตกลงแล้วมันจะเป็นเมื่อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนดูสุดอยู่อย่างนั้นอืความสังขารมันจะาพากเมื่อไรก็เอานี่ต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้หมดอืม อย่างนี้นะยยอมจะมีความสงบสุขก็ไม่เอานายอมนะสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกคือความสงบเดินไปตรงโน้นให้มันหนักหนักขึ้นไปยางไงในรู้เรื่องของมันบทแยกให้เราลู่ออกจาก ใจกับกายของเรล่านี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิก่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไปในใจแม่ทานอาหารสินงนี้แม่มันอร่อยได้เกินหนะบอกว่าไม่แน่ชกมันก่อนเลยใช่มันชชแล้วก่อนล้วต้องชกมันเอง ต้องโชคมันก่อนมันชอบใจไอ้นั่นบอกว่าไม่แน่ต้องชคมันก่อนเลยอันนี้ไงแต่เขาชคเราทุกทีทุกทีถ้าไปชอบก็ไปชอบฉันไปชอบไปเขาทุกชคเราทุกทีถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชคเราทุกทีก็ไม่ได้ชคเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรเราชอบอันไรก็บอกว่าเออบอกในใจเลยเอออันนี้มันไม่แน่อะไรมันชอบในใจของเราบอกในใจอันนี้มันไม่แน่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 นั่งก็โกรได้นอนก็โกรได้อยากได้รทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยากบินอยู่มันก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจริงปฏิบัติผ่านมันก็ไวปถึงอธิยาบททั้งสี่นี่ยืนเดินนั่งนอนให้สมองสมือไมนมีหน้ามีหลังอะไรเงี้ยนะแบบที่ว่าพูดไม่มีหน้ามีหลังกันล่ะเอากันอย่างนี้อ่ะมันถึงดูรอบอยู่อย่างนั้นอจะไปนั่งเห็นมันสงบอย่างอี้จ้ ในเรื่องมันวิ่งเข้มาบอกอีกยังไม่จบเรื่องเรื่องเงินวิ่งเข้ามาอีกเรื่องงินวิ่งขึ้นมาอีกนรื่องท่นเนื้อท่นตัวนี่ไปแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอออันนี้มันไม่แน่ชกมันก่อนเลยเรื่องอะไรก็ช่างมันวิ่งก็เอออันนี้มันไม่แน่เราต้องชกมันนีด้วยอื ใจมันก่อนอยู่นเดียวอย่างนี้อันนี้เราวรู้จักจุดของมันสำคัญถ้ายอมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี่ว่ามันไม่แน่ไอความคิดของโยมทีมีในใจมันจะคอยคลี่คลายออกมันจะคอยคลคลายออกเพราะเราเห็นว่ามันแน่บางอย่างเนี่ยมันก็มันไสขับไปอันเราเห็นว่ามันไม่แน่เราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลาย ออะไรก็อย่างนั so, same, ้นแหละวันล้างตปีนาเอออย่างนั้นแหละแค่นี้แหละไอ้นนั้นก็อย่างนั้นแหละไอันนั้นก็อย่างนั้นแหละภรวนาคำเดียวเท่านั้นอย่างนั้นแหละถ้ามันเตือนอย่างนั้นแหละเตือนเท่านั้นก็พอแล้วมังเนี่อแล้วจะไปหาอะไรจะไปหาคนธรรมะอะไรตรงไหนอืม จะจะต้องไปหาอ่านหนังสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนตัวมันลงมันเกิดที่นี่นี่จะไปหาหนอนมันจะเห็นเนี่ยนี่หาตัวนี้เลยวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์พ อ, อไรเห็นแล้วนั่งอย่างนี้พังแก้วจานนี่มันแตกมันจะเกิดทุกข์กันมาแล้วนี่นี่นเห็นอะไรอย่าเออ้ยหรือมันเกิดทุกข์กันมาวันนี้เกิดเนี่โอ้เพราะแม่ว่านพูดไปเข่าหัเว้ยแน่นั่งเหตุมันอยู่ตรงนั้น เออมไม่นม่แล้ล็อกไปฆ่ามันไปซะทุกอย่างทุกอย่างจุดจุดจุดมันไปอย่างนี้เดินหน้ามันก่อนดีอันนี้ไปเดินหลังเท่านี้อมมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่อื่นหรอกถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้น่ะเราจะเป็นคนสงบเป็นคนสงบแต่อยู่ที่น้นอยมันก็สงบแต่ว่าสงบจริงๆก็ไม่ไม่เชิงเหมน โยมรูจักน้ำน้ำมันไหลไหมน้ำไหลโยมรู้จักไหมเคยรู้จักไหมน้ำมันไหลเลยเคยดูจากไหมน้ำน enfin. <so ิ่งโยมเคยรู้จักไหมนี่ถ้าใจแล้วมันสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมแน่ก็โยมเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ ตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงแล้วอืมบามันเฉยมันก็เกิดปัญญาเนี่เรียกว่าใจดูใจของโยมนะ่ะมันจะคล้ายๆน้ำ ม, มันไหลแต่ว่ามันนิ่งดูมันนิ่งดูมันก็ไหลเลยเรียกว่ามันน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้อืมเ อ, ม อ, มอลองลองดูที อีม mm.